นับถวนานับวนาสิทโทสิทโธแน่ะเอ็ดช้อนเป็นคำเรียกวงจุกนี้สิทโ ท, ท, โ ท, ทนี้เป็นคำแทนชื่อของความรู้ของพระพทธจาต้องอาศัยอันนี้ให้มากที่สุด รู้จิตของเรานักแต่นับอย่างหนึ่งสติมันก็มีโดยวามรู้มันยังมีมันเป็นจากความรู้ของสัตว์ติมันก็มีเมือมันจะกระสัตว์กินเป็นอาหารมันก็มีสติจับสัดมาแล้วกลัวจะดุไม่ดุมือมันมันก็มีสติ นั่นมันก็มีคติแบบ น, น, น, นย่งอย่างั้นเราถึงแยกมันะเพระพุทธเจ้าของเราเลยว่าสอนีว่าตืโทคือให้มันตื่นคือความให้จิตตื่นจิตตื่นขึ้นก็อความรู้นึ้น ถ้าความรู้อันนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็มองเห็นตัวเราถ้าพดโทนี้ยังมีสิ้นขึ้นถึงมีสติอยู่มันก็ยังไม่รู้มันก็ยังมีเประโยชน์สติความไม่รู้หนักที่เราอาศัยพุทโธเพืรู้ ความรู้แจ้งคือความสว่างเกิดขึ้นมาเมื่อความสว่างเกิดขึ้นมาเราไปพายไปดูว่าเราอยู่ในที่มืดความสว่างนี้ไม่ ไ, ไปทั่วถึงไอ้ที่อะไรคือมันปิดบังอยู่เป็นวัต ถ, ถุภันใ์นึ่มาตั้งอยู่มันก็ยังไม่มองเห็นชัดถ้าความสว่างนี้มันมากขึ้นมา วัตถุที่มันจีดบางอย่างนั้นมันก็มีโฟนสว่างเข้าไปถึงมันก็ไปรู้จักเข้าไปทุกทีทุกทีตวเรื่วาเราสอนเด็กเด็กนี่มันไม่รู้จักภาษามันจะเราจะเร่งมันเกินไปก็ไม่ได้จะดุมันเกินไปก็ไม่น่าเรื่เราก็เหมือนกันท่านนึงก่อนันจะถือมันเป็นบางครั้ง ่วรมีทางเป็นบางคราวเหมือนกระเด็นถ้าเราหลุดมันบ่อยเอาคินเอาจังจนเกินไปมันก็เดินไปผิดทางทั้งๆที่มันตั้งใจจะสร้างความดีมันก็เป็นรูก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 ปฏิปทาของจิตพระพุทธ อ, องค์ให้รู้จักทรมา น, นจิตสอนจิตวบายที่เราสอนจิต ข, ของเรานะบางทีจิต ข, ข, ของเราเนะี่ยมันเศร้าโศกบางทีมันก็ร่าเริงเรื่องของจิตมันก็คนงงงงเหมือนกับเด็ก มันก็เลยนี่ไม่มรู้จักพ่อตา้าพ่อแม่ผู้ปมครองเด็กมันรู้ประจายุเด็กรู้อยู่เหนือเด็กนี่ก็เป็นคนรนู้เหนือเด็กนี่ก็สามารถที่จะมองเห็นเด็กมันมีความบุกรองมากที่ไหน กิจก็คิจิตตราเรื่องนี้กอบการจิตที่ก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรามีวความรูความฉลาดขึ้นยิน่งกว่าจิตที่เรียกว่าพุทธโธมันก็มองเห็นอ า, านการจิตมองเห็นตัวจิต ยังเห็นอาการจิตในทุกอย่างถ้าเป็นเป็นน้นมันก็เกิดปบายที่ไหมันจะสงสัยที่ไหนมันจะอะไรทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของจิตส่วนตัวรู้ที่เรียก ว, ว่าพุทโธนี่มันกระพ่อไม่นเล เด็กล่อยไปมันจะหนงไปที่ไหนมันจะคลานไปที่ไหนอะไรที่ไหนพ่อแม่ผูป้ปกคเป็นผู้พาอจารของเด็กก็ต้องดูเรื่องของเด็กเป็นธรรมดายอย่างนั้นบางทีก็เราคิดเกินไปถ้าสอนเด็กก็คือลูกมันเกินไป ซ้อนมันเกินไปมันไม่เอาบบใจใส่มันหลงกลายไปซ้อนอะไรมันไปยุ่งกลายไปจนเกิดที่เดินในทุกมันเดินในทุกเรื่องของผิดเนี่ย มันเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือมันเรื่องสงสยัยเรื่องสงสยัยนี่แหลมันเป็นเรื่องที่สำคัญอันนี้ส ก, กายติดติดมีจิตช้าไม่รับประจักษ์เราไห นี่เป็นทางอองของพระอริละเจ้าทั้งหลายแต่เราจะมีอยู่ตามตัวนั้นสิไม่จะเห็นตามความเป็นจริงสกายยะสิตการออกจากตายของตัวต้นซึ่งเราหนักตัวต้นของเราด้วยของบุคคล อย่างนี้สักายสุขทีิมันพึ่งตัวมันหมายถึงตัวของเร า, าความเห็นตามกายนี้กายนี้อันนี้ซึ่งจะมนทำความเห็นว่าให้มันรู้ตามเป็นจริงของมันช่ คือร่างกายกายว่ามันก็เป็นประโทษหนึ่งอันจะเป็นเบลที่หวังจิตใจมันก็นก้เทั้งหลายไม่เป็นธรรมะเป็นส่วนที่สำคัญฉะนั้นพระอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านสอนกรรมฐานให้ท่านก็สอนสักกายสุขที่บอกว่าตุจาโลมา นักาคัานตาตะโกอันนูนก็เป็นเรื่องสักกายะสิทธิ์เป็นเครื่องหอมแต่คุณบุญคุณบิดาทั้งหลายก็ถูกพระอุปัชฌาย์สอนกรรมฐานเยอะนะแต่มันก็ยังไม่รู้ไม่เห็นทวงเรื่องการเป็นคุณของมัน ไม่รู้จากความเป็จริงของมันมันก็ยังมีความหยุดมัน่นมีความถูมัน่นอยู่น่นเนมี ม, มถ้าพระเจ้าองค์สันสานหให้ออกให้ออกเพื่อเห็นชัดเข้าไปในกายตนในกายบุคคลอืน่นมันก็กำลังเสมอันอ ไีจิตเกันกายกายมู้ก็จักปวดกายไม่ป็นจักบุคคลตัวเป็นเราเขารีกว่ากายกาากากา ย, ยาเนปปัตนาเป็นกายขึ้ขื่องว่ามันเป็นกายเราพอไ ป, รปรยึดมั่นถือมั่นไห้กายตอนนี้ เป็นเราข้อ น, นี้เป็นเขารูกกายข้อ น, นี้เป็นของเที่ยงเป็นของสะอาดอย่างนี้ยึดในในใจขอเราอาใใจ่นี้กระเดียวกกายมันยึดไว้ร่างกายจะสุขีสงสัยในใตะโกนกายของเราไม่ทะลุเมื่อนปุ่นนั้นมันก็เลยเป็นอัตตา ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนโดยที่สมมติไวม่วยังไม่ทางแก้ไขอะไรเนี่ยนี่ตรงนี้นนนนถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงอันนี้ตามความจริงก็ราะมาแลมันจะเห็นกายอันนี้อ่ะจักแต่ว่า แต่ว่าการที่เราตัดแต่ว่ามันทำลายความรู้สึกความรู้สึกตัวนี้มันทาลายมรราฐานมันถอนออกไปมันเพิ่มลงไปจัดถึงแล้วคนคนคิดดูเองตัดแต่ว่าทนี้นั้โคกชคำตัดแต่ว่าขึ้นตัวนี้มันจะมีความต่อีวาต่อหาง มันเป็นของสัตวแต่ว่าอันนี้ม็ความราู้สึกเนใจเหมือนเมื่อให้สัตวแต่ว่ากายยุสัตว์แว่ามิติจิตอามันจะถอนเรย่ร้องกันเลยตาม that time. เห็ ก, กับนนกไปตอนนั้นวึ่นกับไปเหมเป็นจิตเรามันสลดุดจิตเรมันสังเวยมันเห็นชัดกัไปจริงๆอย่างนั้นนี่เลยว่าเห็นในความสงบเมื่อคนเห็นในความสงบการคิดจะนอยที่ในความสงบนั้นมันก็เห็นชัดกับไปยิ่งแม่กัไปชัดกับไปมันค้นด้วยในความสงบของมันนั้นอย่างนี้เด็กว่าในกรรมาฐาน สภาวะสากายวิจิตรนี้มันก็โชคจะทำลายออกไปเรื่อยหมดไปดุจจุตฉานความสงสัยนี่มันก็ไม่มีในร่างกายตอนนี้ที่เราศึกษปรามาสทิ้งแง่ว่ามันจะเป็นโรคอะไรมันจะเป็นขนายมันจะเป็นโรคอะไรมันจะป่วยมันจะเจ็บมันจะไข้อะไรก็ตามทีมันจะ อันเป็นเหตุที่ให้ร่างกายอันนี้มันไหวไปตามเรื่องของมันในความรู้มันกำลังก่อสร้างมั่นอยู่จิตมันก็เป็นส่วนจิตกายก็เป็นส่วนกายมันเป็นคนละอย่างมันเป็นคนละท่อนมันเป็นคนละตอนง้อวยวจิตกับประเหตสภาพของกายอย่างนี่น้นอนอย่างนี้ ความรู้สึกของร่างกายนั้นเมื่อดูในความโป็นเนี่ยชัดแล้วมันก็จะเกิดยิบยิบธาความเบื่อนายไอ้ครามเหื่อยนายนั้นมันเกิดมาก็รควมกระดดสมมติว่มันตรงไปความเบืงอนายตรงนั้นจะเกิดวมนนีก็ไม่ใช่จะเกิดวันนี้ก็ปม่ใช่ จอ่อีดฮารตพยาบาทมันไม่ใช่เท่านั้นมันจะมีอาการต่างความเบื่อหน่ายของมนุษย์สุขชนเราเบื่อนายของมนุษย์สุขชนเราไม่อยากรู้อย่างนั้นไม่อยากเห็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นความ บวชนายอันนี้คือการปล่อยวางตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นไม่ไปยึด ว, ว่าแกจนเจนอย่างนั้นแกจนเจนอย่างนี้ให้นั่นเป็นไม่มีปล่อยตามสภาพมันไม่ต้องกดอะไรอย่างเลยอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติอย่างนั้น ทัศัยสุขีดีจิตวิชากิรปัจจปรามาสทั้งทั้งสามประการนี้เป็นพื้นฐานอยู่ก็เรียกว่าไม่ผงทางเป็นต้นต่อเป็นต้นทางเป็นต้นทางเห็นความจริงรู้ไปจัดในรูปตัวเป็นอริยสัจเจนะ อดีตศักดสธต้อง่านเข้าไปทุกองทุกสระองค์ต้องานนี้รู้จักไมอตศ์สทิุกสมัยไทยมีทุกมาเหตทุกเกิดทุกเกิรู้จักเหตุที่จะ้ทุกเกิดก็รู้จัก กอปฏิบัติให้ผึงความหลักทุกมันก็มีสถานอันเดียวกันนั้นน่ะมันจะรวมกันเป็นมังคะสามกีรวมนั้นถ้าหน่มันรู้ภายใ น, ยนแต่ความสงสัยทั้งหลายเหล่านั้นมันจะมารวมตรงนั้นน่ะมันจะมาตัดคือหร่หอาการจิตของเรา เป็นเวลากรรมเก่ามุกของเราเนี่ยที่เราพยายามทํามันโน้มอนุ่งเรื่องทุกเรื่องอยากเรื่องสนุกสนานอะไร ม, มันก็ฟื้นมาอันนั้นมันเป็นของเก่าแล้วก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นของเก่าแต่ว่ามันในพระบุตรีซึ่งที่เกิด ก็หลับไปแลยเห็นไหมช่วงที่ยังไม่เกิดมันก็ไม่เกิดคำทว่เราเกิดไมหมายถึงอุปาทานความยึดมัน่นหรือมันแต่ว่าอาการของกิตซึ่งผลิตกันหาที่มันเคยอบรมมาแล้วนี่นมันไปยังเต็มหูอย่างนั้น เมื่อมันเป็นอยู่อย่างนั้นจิตก็เป็นไปตามนั้นแน่ๆมันคนละอย่างกันเลยจิตนั้นมันคนละอย่างกันรู้เสียบว่าน้ำมันกับน้ำา่าหรือน้ำฝนเราอย่างนี้มันมีน้ำหนักต่างกันมากแต่ว่าจะเอาไว้คนขันก็ได้ แต่ว่าจะรวมพลขันเดียวกันไปได้ัวมขวดเดียวกันเลยนะแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่แทกซึมน้ามันก็ไม่แตกซึมพลังงานน้ำน้าไม่แทรกซึมพลังน้ำมันมันเป็นข้นเป็นเนื้อตอนขวดนั่นเปียบเหมือนโลกอันหนึ่งที่วัดจุดนะ บังคับน้ํำให้อยู่ในขวดนั่นมันเป็นโลกเราอยู่ในโลกนุงก่งค้องเหมือนกันทั้งนั้นก็ทําทตามภาษาของโลกคำร่วมของโลกจะไปก็เลยพูดว่าไปจะมาก็พูดว่ามาจะอะไรก็พูดอย่างนี้พูดตามโลกแต่ว่าเหมือนกันกับน้ําที่ยู่ในขวด มันเป็นความรกันนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นสอย่างนั้นเราอยในโลกนี้พระพุทธเจ้าเป็นโลกโลกอันนี้เป็นโลกปฏิทูโลกโลกอันนี้อาวุธของสิ่งอะไรสิ่งี้าเป็นิอะไรทิศมอ เราต้องทำรเขียนเขียนจงจะมีหน้ที่รูักเขนนรัจรอตัวรายนันที่พจะารจักยิ่งย้อยของสงต่อรู้จทำมาโรงที่มันเกิดขึ้นจะหยดอยู่ยางเขาเขาจะทำงอยู่ยางเข นัไรนยม่ยุ่าไม่สไม่้ี่ย่นมันเยอะนัตสงอนเนีอันนี้มันอเรอเต่าเพราะว่าการรู้สึนี้มตว่า ไมมีการวัตอนสำคัให้นทั้งหลายเหมือนกันเจ้ามาวิ่งมาแันต่อย่งมาทำาถ้าดุจดีว่งต่อยเห็นแล้วมันจะเจ็บเลยเลยยืนเง้มแต่เจ็บ ไม่เข้าข้งนี้ไม่เข้าข้างนี้การเหวเป็นอีกลูกการยึดสมการคิดขึ้นมายังเปิดเฉปล่อยวางมันล่อยวางเห็นว่าอนันดีแต่ว่ามันก็ไม่มีอุปทานมันหมายเป็นอาการข้อผนะิดท่านนั้นอันนี้ท่ารียกศักดิ์บอกว่าอายุระมีอยู่ อายตนะมันมีอยู่แต่ว่าไม่มีอาการไปอาการมาเหมือนไปจากบ้านนี้สู่บ้านโน้นมาจากบ้านโน้นมาสู่บ้านนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่อายตนะนันมีอยู่แต่ว่า deadline, ไม่เข้าข้างไม่เข้าข้างโน้นไม่เข้าข้างนี้รู integral, ้การปล่อยวางรู้อะไรก็ปล่อยวาง รัศนารูในการปล่อยวางแค่ น, นี้แหละทุกเนี่ยทุกมุมมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนี้เรื่องคิดมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราทั้งเกลียดได้่อง่ายมันแปลกมันเกลเกียนสิ่งทั้งหลายในนี้ทํามันเกิดขึ้นมาแล้วมันเิดเรื่องธรรมดาของเราไม่มีอะไร เช่นว่าผู้นี้ห้านีมเราจะไปเห็นสิ่งใดสิ่งนึงเห็นว่าพ่อเราตายแม่เราตายอะไรเราตายอย่างนี้ไปต้เมื่อเราได้ตั้งมั่นดีดีแล้วก็คล้ายๆกันมันไม่เลยมีอะไรไมันมีอะไรมันจะหวาดมันจะสะดุงนอกจากความสำเร็จสังเวชอค่นั้นรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วมันวางมันต่อยวาง มันเนี่สร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นมาเพราะว่ามันรู้จักเกิดเกิดทุกข์มันทุกข์รู้ทุ ก, ทกขกก์ทุกข์ก็ไปรู้จักทุกข์เป็เกิดมาจากเกิดอะไรมันเกิดมาจากเกิดทุประทานอันนั้นมันก็ปล่อยวางมาันนีะเกิดทุกข์มนต้องไปสร้างขึ้นมาวางวางด้วยปัญญาวางในความรู้คือปัญญาไม่ใช่วางด้คนโง่ อย่างนี้อันนี้พทษทิศจิตที่หากว่าเห็นธรรมะพิจารณาธรรมะแยอืมันมีความปตกอย่างนี้อี่เื่อเรานั่งดับตาเมื่อความเห็นมันชัดเจนเป็น น, น, นั่งดับตาตัวอย่างนั้นดึงตาตัวอย่างนั้นอะไรอะไรไม่ตัวอย่างนั้นพู้กังจิตอยู่ในจิตแล้ว ที่มีการยืนกาเดินการนั่งการนอนที่ไห น, นแหละมันไม่รีมมันเกิดออยังในสิ่งที่รีมไม่เป็นมันเกิดจะในสิ่งที่รีมไม่ได้รีมไม่เป็นเป็นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้พูดถึงผลผิดการประปฏิบัตินะไม่สงสัยอนาคตก็ไม่สงสัยอารีก็ไม่สงสัย ปัจจุบันนี้ก็นในต่องสงสัขขยแต่มีความรู้สึกว่ามันมีอดีตมันมีอนาคตมันมีปัจจุบันมีอยู่มีอยูอ่แต่ว่ามันพักไม่ได้ห่วงอดีตทำไมถึงไม่ได้ห่วงอดีตอดีตก็สิ้นเชิงผ่านมาแล้วนไะม่ผ่านมาแล้ว เมา่อถึงปัจจุบันนี้มันเป็นผลของอดีตผู้ไม่หิวอย่างเราไมา่หิววันนี้ก็ได้ทานข้ามมาจากเก่อดีตเดี๋ยวนี้เราไม่รู้ก็คือผลของอดีตนี้ที่ไม่หิว น, นี้เป็นปัจจุบั น, นเรารู้จักปัจจุบันนี้เราไม่รู้จักอดีต การทานข้าวเป็นอดีตการอยู่สบายอย่างนี้เป็นปัจจุบันเพื่อจะทำงานต่อตปถึอนาคตก็คือเป็นหยุดของอนาคตเพื่องนี้มันกตั้งอยู่ในอันเดียวหะตัมโมอิโตธตัมโมธรรมีอันเดียวเื่อมากมีเ่าน เมื่อเห็นปัจจุบันแล้วมันก็เห็นแอนาคตเห็นปัจจุบันแล้วมันก็เห็นอดีตมันวิ่งถึงกันเสมอเพราะว่าอันหนึ่งมันเป็นเหตุอันหนึ่งมันเป็นผลนี่พูดเรื่องเรื่องนี้เรื่องผลเดียวพอทึกปีใหม่มันเกิดขึ้นมันมันจบายที่พูดส่วนจิตใจนี่อะไรสนใจอะไรทั้งสิ้น เมื่อเคลื่อนไอทั้นสิ้นม่อเคลื่อนไหวมันหมการดูความนตนแล้วถึจะอยู่ในกาลธรรมชาติอยู่ในโลกตามธรรมชาติอยู่ในโลกที่ดูกว่ามันสมบหาความสงบในที่มันไม่สงบได้เขาอยู่ในโลกนี้ได้ากกว่าอยู่ในโลกนี้ ครับก็จะาองค์ของเราแสนก็อยู่ในโลกนี้แสนจะหาความตงบในโลกนี้นะอืนักพูดเราพูปดปฏิบัติคนเดียวกันไม่สําคัญอะไรไม่เป็นอย่างนี้ไม่สําคัญอะไรไม่เป็นอย่างนี้อไม่สําคัญอะไรทีนั้นเมื่อมีอะไร ก็ต้องปีจารณามันเมื่อไม่มีอะไรดบบสบายยังมีเรื่องอะไรก็แบบเฉยๆอยู่ตามธรรมดาเฉยๆมีสติมีสัมปชัญญะอยู่แบบเฉยๆถ้ามันมีเรื่องอะไรเกิดจะมาจากยกขึ้นมาพิจารณาถ้ามันรู้แล้วปล่อยแล้วคไปถ้ามันไม่รู้ก็ปล่อยมันเลยนั้นอื แต่วันหลังมันจะรู้มันต้องรู้เขาสี่มันทุกอย่าง<ม>อย่างนี้ผล<ม>ที่ผิดนั้นจิตของเรากัถต่อสู่กับอารมณ์ต่อสู้ต่อรงทจนมันมากระทบ<ม>อายุรณะทั้งหลายนั้น มันจะรวมสมาสูจิตทั้งหมดดูจิตดวงเดียวมันจะรู้เด่าหรือส่วนบนร่างกายก็คือมันมยื<ม>อย น, นอยู่แล้วดูจิตเดียวทั้<ม> น, นั้นต่อนั้นไปอีกมันก็จะเห็นพัดกับยืนกว่านั้นอนจะมาไปสอนหม่ เพราะว่าตรงนี้มันเป็นจิตที่สำคคนเราเมื่อถูกอารมณ์มาแล้วมันก็คอยจะยินดีกันหนึ่งมันจะคอยจะยินร้ายอีกมันเป็นอยู่าหนี้คอยจะดีใจใหญ่หนึ่งคอยจะเสียใจใหญ่หนึ่งนคอยจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราดูจิตของเราตั้งมั่นอยู่ทีนี้เมื่อมันอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มากระทบเราก็ในต้องคิดหน่มาก มไม่ตัสิทธิ์นั่นเพราะว่ามันมีอารณอาอายอยอมารณ์ของที่ปัจจนาอาศัยอยู่อารมณ์ของที่ปัจจนานี้ทำให้เราเกิดปัญญาเหมือนกันกับอารมณ์ของสมัการสมาทาน จะพม โ, มจโคธรมโธฉันโธอทั้งหาาลา ย, าายหายานี้เป็นอามรามรารณ์ของมานนามตาและสตนี้นเมื่อเราทไปก็เป็นเใน้ใจเราสงให้เป็นสมาธิที่เปอารมณ์เป็นสมาธิเป็นธรรฐานวปัสนาสมฐานนี้นาเพื่อเลยท่านไม่น่าเชื่อวิปัสสนาธรรมฐานอ า, ามรมณ์ที่วิปัสสนาธรรมฐานนี้ไม่นาเพื่อ มันจะเกิดมากันตาเห็นเป็นยื่นกายใจไรยดทุกอย่างเมื่อเริ่มตั้งใจรู้แล้วก็ยดอารมณ์ของสมาธิขึ้นมาจังมวะว่าอันนี้มันเหนือันนี้มันเหนื่อยนอนอันนี้มันเหนื่อยเือนันี้มันื่อยอน ถ้าไปเชื่อมันเป็นทุกเพราะทำทั้งหลายนั่นเป็นอนัตตาของเป็นอนัตตาที่ไม่ตัวตนไม่สาคัญไม่ตัวตนมั น, นเป็นกิดต ง, งทุกขึ้นมาเพราปสําคัญจิม ในเ็ก ال <term eni> ั่งยั <im sh> ้งจะไปเป็นอะไรจริงทั้งหลายมันไม่เคยเกป็นเป็นจริงไม่เกิตั้ต้เป็นจริงกมทำไงมันเกิดไปเกิดเป็นยุตัตนี่อันนี้จยัปวงกิาดมันเ้าไปเกิเป็นไม่เคยเป็นจริงแต่ทำไมมันเข้าไปเกิดเป็นอันนั้นก็กิ มันเป็นทุกขเป็นองตะเรื่องในเหตเรื่องมันจะเห็นชักเสินมาเรื่องมันเป็นทุกเห็นชักเสินมาเรื่องใจองตะเราจะชักขึ้นมาโดยรอกเห็นชักชัก็ไปยิ่งกว่าที่มันสงบในสมาธิธรรมฐานเนี่ยชักรูเรื่องตามความเป็นจริง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 แขกไม่มีที่นั่งมันก็มานั่งกับเรานแะไงที่นั่งของแขกที่นั่งแห่งเดียวเราก็ไปนั่งอยู่แล้วมันก็ไม่มีที่นั่งไม่มีที่นั่งเราก็มองเห็นกิริยาของแขกตามสบายที่มาสู่บ้านของเราแล้วก็ดูเรื่องมันหมดทุกอย่างหมายความมาต้องเห็นอนิจจงเห็นชุกขังเห็นอนตายอย่างชัดเจนแน่นอนมี่ความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นมาไม่สงสัยแล้วมันไม่สงสัยอย่างนั้น อันนี้เป็นธรรมเบื้องสูงฉะนั้นก็นั่งอยู่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีลายมีจิตก็มีมีเจดีอ์รูปปล่อยวางอยู่เสมอไม่มีอะไร อ, อย่างนีอ้อันนี้จะสมยกอารมณ์ของมิปัสน า, รรมานสมาานี้ขึ้นบ่อยทุกอย่างก็มันเกิดปัญญามลายมดทุกอย่างได้ะคะ เกิดผลเป็นไร อ, อ, อันนี้อย่าเพิ่งว่ า, าการกระทาของเราเนี่ยบางทีมันก็ททำตามอานาจของเราตามอานาจใจของเราอย่างไรวันนี้สิ่เกียดตมันก็ไม่ทำขยันจึงทำที่เกียรไม่ทำทำอย่างนี้ก็เรียก ว, ว่า มันทำตามอนาจกิเลสธรามะน่าใจของเจ้าของตามธรรมะนั้นไม่มีขยนันไม่มีที่เสียพูดถึงเรื่องจิตเป็นอย่างนั้นขยันไม่มีที่เกียไม่มีมันจะเรื่อยเพราะมันอยู่อย่างมันเป็นสภาพอย่างนั้นเลยทีเดียวถ้ามันเจนเช่นนั้นก็เรียกว่า เราจะไม่ต้องทําอะไรก็เสมอว่าผู้เสจ็บที่จะต้องทำแล้วก็เก็บไว้ดูเฉยเฉยไม่ต้องทําแต่มาเรื่องจิตใจที่มันเคยสะสมมาแล้วนะ่ยมันจะมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นนี่คือการปล่อยวางอที่นี่มันจะไม่มีอะไรอืม มันมีราคาเท่าๆกันดูอะไรมันเหมือนกันไปทุกสิก่งทุกอย่างแล้วมันรวมเป็นมนเดียวกันนโน่นมันเึ้่งจะหมดความสงสัยในระยะ แ, ยกแรกๆเนี่ยโอ้นมันสงสัยละ่ะคิดก็มาสงสัยก็มาสารพัดอย่างเพราะอะไรอยากจะรู้เร็วอยากจะรู้ง่ายอยากจะรู้การความจริงของมันอย่างนี้ คือความอยากเนี่ยมันมากกว่าความจริง ม, มันมีบทคือมันมีขั้นตอนเช่นหนึ่งการกระทําของเราติดต่อสองยังมีวาชนาบารมีของเราด้วยติดต่อพยายามอย่างนี้ เราอย่าไปคิดยัง่งมันสิแม่อันนี้มันกาทํายังไม่ได้มั น, นยังไม่ได้ตอนนี้เยอะกว่ามันไม่ได้มันก็ถูกหรือไมนมีความดีใจมันมีความเสียใจอยู่เสมอมันจะไปยังไงก็ช่างมันเถอะถ้าสิ่งทั้งหลายเราเนี่ไม่เกิดขึ้นมากระทบเราในรู้เรื่องว่าเราไปถึงไหนไม่ใช่มันเป็นของเหลวแล้วมันเป็นของดีแล้วมันเตือนเราหน่ะอารมนี่ เราไปถึงไหนไม่ได้ถึ desert, งไหนมันรู้จักน่ะอืบางคนก็อยากจะรู้จักกระทบอารมณ์ดีๆหน่งชอบอย่างไม่ดีจักไม่ใช่ลายในความเป็นจริงอารมณ์ดีไม่ชอบใจนั่นน่ะให้มันกระทบโดยเดีมันจะเป็นยังไงไหมอันนี้พูดถึงทีมันรวมแล้วมันจะเป็นอย่างไนฉะนั้นพูดถึงร่างการปฏิบัปฏิบัติเนี่ย ให้เข้าใจว่าอย่าไปหาอันยดอีก น, นอกจากตัวของเราเราที่จะแก้ความสงสัยเราได้จริงๆนั่นก็คือเรื่องปฏิบัติกลับไปเห็นชัดเองมีเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแต่เป็นผู้ปะภะพาคเป็นผู้พจารย์ต่อจากครูมาอาจารย์ไปชนิดพิจารณา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 แต่ว่าความสงสัยนั่น่ะมันจะเหอดแห่งไปเองด้วยการปฏิบัติธรรมไม่ต้องสงสยัยมันจะเหือดแห้งไปโดยการปฏิบัติธรรมด้วยตาปะของเรานี่เองถ้าพูดถึงส่วนที่เราได้มาเนี่ยไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะที่เราปฏิบัติมนันแต่มันไม่พอใจเรา มันมันยังมีพอใจเราเท่านั้นแหละแต่หากเรามาคิดดูแล้วมาคิดดูแต่นไปเระย้อนไปถึงเราเป็นเด็กเป็นหนุ่มสนคนก่อนเลยไม่ได้ดเรีเด็มันไปแค่ไหนนะ เ, เนี่ยเนี่ยเราย้อนถึงไปอย่างนี้นะเราจะเห็นว่าว่าผู้สึกของเราเนี่ยเราประสบธรรมะมนันหน่มากเห็นพิณาถอยดังกลับไป อืแล้วก็ช่วยจิตของเรามันบางเป็นนี่เลย ก, กวรฉันจะเสริมในบางครั้งในบางคราวอืมในมันบานเป็นมาอย่างนี้อืมอยาฉันจะเสริมมันยังเดียบเรื่องจิตนี้ให้มินทางมันบ้างบังคับมันบ้างอยาบัางคับมันยังเดียบเช่นยกตัวอย่างว่าเรานั่ง ธรรมดาเรานั่งก็อยากนั่งนานๆแต่ว่าเมื่อการฝึกของเราเนี่ยสังขารเราเรียกว่ามันเป็นสังขารเป็นธรรมดามันมีเจ็บมันมีปวดมันมีเนื่อยสารพัดอย่างมันก็เป็นมาเห็นไหอันนี้มันเรื่องของสังขารทางกายของมันถ้าเราเนื่องนานๆทำนานๆความชํนานาญมันเกิดมีจึนมาครั้งแรกเรานั่งสักห้านาทีก็พอแล้ว ต่อนนานๆไปกระปุกนั่งไปถึงสิบนาที2ี่สิบนาทีสาสิบนาทีนั่งถึงชั่วโมงนี่ mm. เข า, าเนื่อแหมเรานั่งในนานแต่เราเข้าใจเรายังนั่งนานไม่ได้อะไรอืมเราที่อยากจะได้เราถึจะ น, นันนได้ประการที่สองให้เข้าใจว่า การยืนหนึ่งการเดินหนึ่งการนั่งหนึ่งการนอนหนึ่งให้เป็นวิยาบทปฏิบัติอยู่เสมอเท่านั้นอย่าไปเข้าใจว่าเรานั่งแล้วปฏิบัตินั่งสมาธิจริงแปฏิบัติอย่าไปเข้าใจอย่างผิดนานอาจจะไม่เป็นก็ะด้ ถ้า่อคนเรามันจะนั่งวันหนึ่งกี่ชั่วโมงกี่นาทีนี่จะต้องทำสติเนี่ยตามริยาบทของเราอ่ะการยืนการเดินการ น, นั่งถ้ามันรู้ตัวสม่ำเสมออยู่ดีถ้ามันขาดไปประยกตขึ้นมาต่ออันนี้เร็วเต็นเร็วฉลาดเนี่ยฉลาดในอารมณ์เนี่ยฉลาดในการฝึกเนี่ย ให้เขาใจอย่างนั้นมแม้เหลือนิดเดียวที่เรายัางนอนก็หายใจเข้าออกฉันไม่จะนอนแล้วก็ยังกำหนดหรู้ไว้ฝึกหัดจริงๆผ้าหากว่ามันรู้ฝึก น, นานๆนะมันจะไม่นอนนะไม่จะมีความตืม่น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 พักผ่อนทางกายกายเข้าไปพักผ่อนแต่ว่าผู้ตื่นอยู่น้นมันตื่นอยู่ตลอดทั้งการวันกลางคืนนี่แนั้นนอนนอนป้องนั้นที่ว่ามันไม่ได้หลับแต่ว่ามันไม่หีหิวมันตื่นอยู่แค่นั้น การฝันของผู้ปฏิบัตินี่มันถึงไม่มีถ้าฝันก็เป็นสบินไปชัดเจนขึ้นมาเลยการฝันนี่มันจะน้อยที่สุดเรื๋ต่อไปมันอาจจะไม่มีเลยก็แล้วคือมันอยู่ในภาาทางที่เราไม่หลงมันมีสติอยู่แล้วตื่นอยู่ท่ามจิตให้มันตื่นอยู่เร็ว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 ให้เห็นเป็นสภาพอ น, นียวกันอยู่อย่างนั้นดูเรื่อยก่อนที่จะนอนก็ดูร่างกายเราจนจบตื่นขึ้นมาพยายามดูร่างกายเราจนจบนี่จะเป็นคนไม่ดมมือไม่ไฝฝันไม่อะไรทั้งนั้นนอ น, น, นอน่เฉยๆตื่น่เฉยนอนนอนนอนในความรู้ตื่นในความรู้ รู้ระุมากว่าแก่มใสไม่มัวมองไม่มัวมองแจ่มใสอย่างไรก็ตามมันเถอะอยากจะมาเล่าให้ฟังนันเนี่ยไม่นึกไม่เห็นว่าอิจ ม, มันจะสงบไป ใ, ในเวลาอย่างนั้นแต่ว่ามาเดือนจากผลมาเฉย มานั่งมันเป็นอย่างนั้นมันแสดงปฏิปิยาเกิอดอย่างนั้นนิทานทันทมสอนที่สุดทางหลายอย่าประมาทความประมาทนี้เป็นทางแห่งมรตายเป็นทางแห่งความตายให้ก่าใจอย่างหนักแน่นเยอะเกิน เมื่ อ, อไรเราจะทำงานอยู่ก็ตามให้มีปัญญาคิดอะไรอยู่มันก็จะมีปัญญาคูดอยู่ก็ต้องมีปัญญา